เอาละมาฟังเรื่องราวเคสสตดี้กันเลยจ้าย่าของลูกเสียชีวิตเมื่อ2อตุลาคม2522 อ, อ, อ, อายุได้105ปี ย่าเป็นชาวจีนจากเมืองจีนพูดไทยได้เหมือนกันแต่ไม่มีใครฟังรู้เรื่องย่าเป็นคนสุขภาพดีมากรู้ไป่เคยเห็นย่าป่วยเลยฟันก็แข็งแรงดีไม่ใช้ฟันปลอมเคี้ยวอาหารความจำก็ดีมากถ้าใครมาหา เพียงได้ยินเสียงก็บอกชื่อได้ถูกต้องเพราะย่าตาบอดมาหลายสิบปียืนแต่บอดมาหลายสิบปีเอาไหมไม่เอาแต่ดูท่านนะย่าเป็นคนอารมณ์ดีไม่เคยโกรธใครไม่ทุกข์ใจเลยไม่ใช่ทำง่ายนะยาก ถึงแม่ย่าจะมองอะไรไม่เห็นแต่เขาช่วยตัวเองได้ไอ้ตรงนี้ใครที่ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องศึกษาไว้เช่นเข้าห้องน้ำอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารและอื่นๆตัวลูกจะสนิทกับย่ามากไปไหนก็ไปด้วยกันย่าจะกินเจทุกวันพระก่อนเสียชีวิตอกเดือน ย่าได้ป่วยเป็นโรคไตนอนไม่ได้ต้องนั่งฟุบหลับเ oh. ย็นวันที่ย่าเสียชีวิตย่าไล่ญาติญาติกลับไปเนื่องจากเถียงกันเรื่องจัดงานศพ oh. <laughs> ยังไม่ทันตายเลยเ oh. ถียงกันต่อหน้าว่าจะจัดกันยังไง oh. ท่านได้ยินนี่ oh. Oh. ถึงไม่เห็นแต่ได้ยินเน่ยไ oh. oh. <laughs> ล่ไป แล้วก็เรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับพอไล่กับญาติากลับไปหมดแล้วญาตกหลับไปแล้วก็มีตื่นอีกเลยอาของลูกเป็นลูกคนที่แปดของญาตอาเล่ายฟังว่าสมัยหนุ่มได้ป่วยเป็นแผลเน่าไปทั้งตัวเนื้อหลุดโรคกินจนมือกุดเท้ากุด พอลูกโตขึ้นจึงรู้ว่านั่นคือโรค เ, เรื้อนตอนที่อาป่วยมากต้องนอนบนใบตองห่มกระสอบยากจนมากอันเนี้ยมันมีสาเหตุทั้งนั้นแหละนอนบนใบตองเคยนอนบ้งจะเป็นนอนเลย <c oughs> ห่มกระสอบยากจนไปโรคเรื้อนด้วย อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องถ้าตอบไป็นเรก็จะจะไปตอบว่ามีพระท่านทดสอบดูถ้าผู้เป็นเจ้าท่านสอบอารมณ์ดูเรามีความอดทนไหมเป็นพระประสงค์ครูไม่ใหญ่ว่ามันไม่ใช่นะมันต้องมีเหตุมีผลจะไปทดลองอะไรกันหนังหนาหมดเวลา ก็สอบรารมณ์กันแล้วลมันต้องสอนกันแล้วลนี่ที่มาที่ไปเนี่ยต่อมามิชายคนหนึ่งมาหาซึ่งอาเรียกว่าอาจารย์อินมาช่วยเหลือและสอนวิชาให้อาจงจากนั้นอาก็ทำเป็นทำอะไรเป็นรู้ไหมอะไรครับทำน้ำมนต์เป็นดูโหราศาสตร์เป็นให้หวยเป็น ช่วยตามสามีภรรยาลูกสาวลูกชายบ้างและใช้สัยเวทในเรื่องอื่นๆส่งก็คงจะได้ผลเพราะมีคนมาให้ช่วยมากบางครั้งตีหนึ่งทีสองกว่าจะหมดขนาดเจ็บป่วยนะนี่อาก็เริ่มมีเงินรักษาตัวจนหายแต่ก็ยังพิการอยู่ลูกไปแอบดูอาทำสยเวทเห็นว่า ไม่ยากนี่แค่ท่องแล้วก็พ่นจึงแอบเอาไปทำบ้างผลนั้น <c oughs> <c oughs> สุดที่จะคาดคิดในสุดก็ตัางกลับมาหาอาเพื่อให้อาสอนให้แต่อาไม่สอน <c oughs> อาบอกว่าสอนไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยววิชาเสื่อมแต่อาถูกไฟลวกเพราะใช้ตะเกียงน้ำมันต่อชะตา น้นมันตะเกียงเนี่ยต่อชะตา uh huh. เลยเป็นเหตุให้อาเสียชีวิตแต่ละต่อมาไม่รู้ต่อหรอหรือตัดเนี่ยวิชาตัดชะตามั uh ้ง huh. ตัดชะตาชีวิต uh huh. ใช้ตั ด, ดตะเกียงเนี่ย uh huh. ช่วงที่อาป่วยอยู่ลูกเดี๋ยวเปิดธรรมะให้ฟังอาพยักหน้ารับรู้แล้วก็จากไปอย่างสงบ นี่มันมีที่มาทั้งนั้นแหละโอ้าสอบกันขนาดมือกุดเท้ากุดที่อมันนานเกินอนอนไปตองเงี้ยมายังรักอยู่ไหมไม่น่าจะใช่นะมันต้องมีเหตุที่ผลมันเป็นอย่างนี้มันต้องมีเหตุแต่เราไม่รู้ทั้งเหตุทั้งผลหรือรู้จากเหตุแต่ไม่รู้ผลหรือรู้ผลแต่ไม่รู้เหตุเนี่ยคือเราเป็นอย่างนี้มาจากเหตุอะไรเราไม่รู้หรือเราประกอบเพียุอย่างนี้จะไปเป็นผลไงเราไม่รู้ พ่อลูกในช่วงปลายชีวิตได้ป่วยด้วยโรคตอมลูกหมากโตแในขณะเดียวกันก็นเป็นเนื้องอกที่หลังยังไม่ทันหายดีก็เริ่มมีอาการหลงหลงลืมลืมจำใครไม่ค่อยจะได้พ่อพยายามปีนรั้วออกจากบ้านบอกว่าจะไปหาคนโน้นหาคนนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ตายแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ขณะปีนรั้วเลย บางครั้งก็เห็นท่านนั่งคุยอยู่คนเดียวัวเราะบ้างบางครั้งก็ท่าทางเหมือนโมโห<อ>บางครั้งล็อกประตูด้านนอกไว้<อ>แต่ท่านก็ไม่ลดละท่านก็ใช้มือเปล่าค่อยๆแกะแงะงัดออกมาจนได้ขนาดล็อกไว้นะ<อ> <laughs> มุ่งลวดปลั๊กไฟสายไฟตู้สื้ผ้าโดนหมดทุกอย่างผลสุดท<อ>ายจึงย้ายของออกจากห้องท่านหมดเหลือแต่แค่เสื้อผือนหมอนใบ หลังจากนั้นท่านเลยไม่ค่อยจะมีอะไรทําอยู่มาไม่นานคืนนั้นท่านเรียบร้อยมากพอรุ่งช้าลูกไปแง้มประตูดูเห็นท่านนอนหงายที่พื้นนิ่งๆคิดว่าท่านหลับจึงไปเตรียมอาหารให้เสร็จก่อนจึงไปเรียกปรากฏว่าไม่หายใจเสียชีวิตแล้ววันที่หนึ่งก็รัชฎาคม2543สอายุ8ปบสาปีแม่ของลูก ปัจจุบันอายุ76ปีบาราแม่อายุราว 16-17 ปีแม่มีแฟนแต่เขามีคนใหม่แต่แฟนน่ะไปมีคนใหม่และก็พามาเหยียดยางกันซะอีกอย่าลืมตอนนั้น 16-17 นะแม่ก็เลยเกิดโทสะไปขโมยปืนพี่ชายซึ่งเป็นตำรวจ ไปยิงเขาจนตายแม่ถูกจับส่งมอเรอนจำที่กรุงเทพแล้วก็ถูกขังอยู่หลายปีลำบากมากจนต่อมาได้รับอภัยโทษในราวช่วงสงกรานปี2545ขณะแม่อายุได้74ปีล้ก็ได้ทราบข่าวว่าแม่พยายามฆ่าตัวตาย โดยนั่งเรือข้ามฝากแม่น้ำเจ้าพยาพอ <Yeah. S 1> ถ, ถึงกลางแม่น้ำก็กระโดดน้ำ <Yeah. S 1> แต่ได้มีคนช่วยไว้ทันและปลอดภัย <Yeah. S 1> แม่ได้อยู่ห้องไอซียูสองวันตลอดเวลาแม่คลุ้มคลั่งเอะอะโวยโวายเหมือนคนเสียสติว่าอยากตายมาช่วยทำไมพอแม่เริ่มสงบใจได้บ้างลูกจึงชวนมาอยู่ด้วยแม่เงียบ ลูกก็เลยมีโอกาสเล่าธรรมะให้แม่ฟังแม่บอกว่าแหมพูดเก่งใครสอนลูกก็บอกว่ามีครูชั้นเยี่ยมคือคนครูไม่ใหญ่เขาก็ว่างั้นเลยคำถามดังนี้ค่ะปราโลกของย่าเป็นอย่างไร รอบบปรกมรมอรัยยาจึงตาบอดยาวนานสุขภาพดีและอายุยืนมากแล้วทำไมเป็นโรคไตในบ้านปลายชีวิตบุญที่ลูกอาทิตให้เสมอย่าได้รับหรือเปล่าคะโอ้นี่ข้อที่หนึ่งนะอลองจินดิ <c oughs> ทำไมย่าตาบอดบหลายสิบปีคือยาวนาน แต่สุขภาพแข็งแรงดีอายุยืน ม, มากแล้วทำไมเป็นโรคาตในบันปลายชีวิตแถมนั่งฟุบหลับหลับไปเลยนะยากับลูกมีความผูกพันอย่างไรในอดีตญาบางคนบอกว่าลูกอาจจะเป็นลูกสุดท้องของย่าที่ตายไปแล้วแล้วก็กลับมาเกิดใหม่จริงหรือเปล่าคะสาม ประโลกของอาเป็นอย่างไ ร, ร บ, บุปกรรมอะไรอาจึงป่วยเป็นโรคเรื้อนจนพิการแล้วตังมาเรียนสยเวทและอามีความผูกพันอย่างไรกับลูกในอดีตจึงมาเกื้อกูลกันในชาตินี้ก็น่าศึกษานี่หลังจากอาละโลกไปมินนานตอนชา้ามืดวันหนึ่งโลกฝันว่า อามาหาดูไม่พิการแลนหนุ่มขึ้นในมือเหมือนห่อแฟ้มอะไรและบอกว่าอา จ, จะมาหาไม่ได้อีกนานเพราะต้องไปทำงานหกเดือนกว่าจะได้พักให้ลูกช่วยทุกคนด้วยถ้าจริงเนี่ยอาไปทำงานอะไรคะแลวจะให้ช่วยเรื่องอะไร ทุกบุญที่อุทิศให้อาได้รับหรือเปล่าค ะ, อะลองจินกันไปนะสนิษฐานกันไปพรโลกของพ่อเป็นอย่างไรคะเพราะบุพรรกรรมอย่างไรจึงป่วยซ้าซ้อนหลายโรคและหลงทำไมจึงอยากไปข้างนอกไปหาใครถ้านึกถึงบุญได้ไหมคะแลวที่สร้างองค์พระและอุทิศบุญไปให้นะ่ะมีผลกับท่านอย่างไรคะ แล้วอะไรแม่จึงตั้งพลาดถึงกับฆ่าคนตายตอนอายุิบหกสิบเจลูกเห็นแม่พยายามนั่งสมาธิกับน้องทุกวันแม่เริ่มซ้อมนึกถึงบุญโดยเล่าให้ลูกฟังแต่แม่ชอบนึกถึงกรรมที่แม่ฆ่าคนตายจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคะมันฝังใจอะ่ะเพราะกรรมอะไรแม่จึงคิดฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยไว้ทันลูกเดชสร้างองค์พระทั้งบนโดมและเชิงลาดจะเริ่ชื่อแม่จะช่วยแม่ได้ไหมคะขณะนี้แม่ยังมีชีวิตอยู่ควรแนะนำแม่อย่างไรคะลูกมีบุตรสองคนตอนคลอดลูกทั้งสองคนพยาบาลถามว่าเจ็บท้องหรื อ, อยังลูกไม่เคยเจ็บท้องเลย จึงตอบไม่ถูกคนแรกก็ไม่เจ็บคนที่สองก็ไม่เจ็บหมอตรวจดูบอกว่าไม่เจ็บก็คลอดได้แล้วคล้ายๆกับอ่ะไม่เจ็บก็ไม่เจ็บเพราะบุญอะไรคะที่ลูกไม่แพ้ท้องและเจ็บท้องในการคลอดลูกทั้งสองคนเลยค่ะเก้าลูกและบุตรทั้งสองคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะฝันในฝันกัน ย่าอายุยืนหนึ่งร้อยห้าปีเพราะบนในอดีตท่านถือศีลกินเจไม่ฆ่าสัตว์เลยชอบช่วยเหลือหมูญาตและก็เพื่อนมนุษย์คือเพราไม่ฆ่าสัตว์มันก็อายุยืนยิงรักษาศีลด้วยและช่วยเหลือหมูญาตและเพื่อนมนุษย์ท่านเป็นหมอพื้นบ้าน ที่ผ่านมานะได้ช่วยรักษาคนไข้โดยจิตที่เมตตามีอยู่ชาติหนึ่งนะแต่มีครั้งหนึ่งปรุงยาผิดทำให้คนไข้ตาบอดโดยวิบากกรรมนี้แม้อายุยืนตาก็มาบอดในภายหลังยาวนานจะ้ะนี่ขนาดไม่ได้มีเจตนานะถ้าหากไม่มีบุญอื่นมาอุ้มไวก้ก็อันนี้มันจะให้ผล อบาได้ช่องเนะี่ยส่วนที่เป็นโรคไตในบ้านปลายชีวิตของท่านเกิดจากกรรนแนดีตอีกชาติหนึ่งซึ่งท่านเป็นเศรษฐีปล่อยเงินกู้ดอกโหดจนทำให้ลูกหนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับจึงทำให้ช่วงท้ายของชีวิตท่านนอนไม่ค่อยจะได้ต้องนั่งฟุบหลับแล้วก็หลับจน ตายอะไะเป็นท่าสุดท้ายของท่านนี่คนลชาติกันนะแต่มันมาส่งผลกันนะตายแล้วท่านก็ไปเป็นอากาศสเทวามีวิ ม, มานเป็นทองแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้เจ้าญาติกับลูกในอดีตก็เคยเป็นญาติกันมาในปัจจุบันท่านกขยันดูลูกหลานจึงผูกพันกัน แต่ไม่ได้เป็นโูกคนสุดท้องของญาติตายไปแล้วก็มาเกิดใหม่จ้าเกือ้อกูงในปัจจุบันด้วยและเคยเป็นญา ก, กันมาก่อนที่อาป่วยเป็นโรคเรื้อนเพราะกรรมในอดีตเคยเป็นขุนนางระดับในอำเภอได้ตัดสินคดีลงโทษแบบโหด เช่นให้ตัดมือตัดเท้าหัวขโมยถ้ามือไหนขโมยก็ตัดมือนะเท้าที่พาตัวไปขโมยก็ตัดเท้าที่ตัวเน่าเพราะสั่งให้นักโทษนไปจําขังในคุกขี้หมูขี้ไก่เจ้าตัวอะไรเน่าเหตุที่ต้องมาเรียนสายเวทเพราะนั้นจะ สั่งครั้งใครอะไรต่างๆเลยนี่ก็ต้องเอาพอดีพอดีจะไปติดคุก ข, ขี้ไก่ขี้หมูเงินหนึตัวเน่าเ<ฮ>หตุที่ตั้งมาเรียนสายเวทเพราะมีเชื้อสายเคยเรียนแล้วก็นับถือสายยเวท yea นํามา ก, ก่อนพอถึงเวลาก็มีเหตุให้ตั้งมาเรียนจ้า <Okay. S 1> ตายไปแล้วก็ไปเป็นพมะเทวาสายวิทยาธร ไปเรียนวิชาต่อแล้วก็รักษาวิชาให้ศักดิ์สิทธิ์ จ, จะ้ะในผูกพันกับวิชาก็ต้องไปอย่างนี้ที่ฝันว่าอามาหานั้นน่ะอามาจริงๆและที่บอกว่าอีกหกเดือนจิงจะกลับมานั้นน่ะก็คืองานที่อาจารย์วิทยาธรให้ไปทำแล้วก็ตั้งติดตามรับใช้และเรียนมนต์ต่อจาก อ่านวิทยาทรอีกด้วยจ้าแล้วก็ตามไปรักษาวิชาด้วยปัจจุบันที่ลูกและอาต้องมาเครื่อกูลกันเพราะเคยเป็นพี่น้องกันมาจ้าได้รับบนที่อุทิศไปให้ทำให้อามีสภาพดีขึ้นสว่างขึ้นหนุ่มขึ้นจ้าพ่อป่วยหลายโรคและหลง พราะกรรมสุราและกามีรวมทั้งปานาติบาคือกรรมสุราทำให้หลงเนี่ยไอติดริงเนี่ยสุราเมลัยนี่แหละเบีย้ยมังวายมังสาโทอะไรต่างๆเหล่านั้นสุราเมลยัยมีทั้งหลงมีทั้งความจำเสื่อมอันเซเมอร์อย่างี้เป็นคนบ้าอย่างนี้ โลกราสารเร า, ร า, เราจราิตศาสตร์หรือพวกนี้เป็นต้นตําลกหมากโตเพราะเศษกรรมกามีเนื้อ ง, งอกที่หลังเพราะกรรมปานาธิบาทตายแล้วไปเป็นภูมิเทวาระดับล่างต่อมามื่ได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้ก็ทำให้มีวิมานอยู่มีอาหารทิพกิน้าแม่ข้าคนตายพระ เป็นคู่เวรกันจองเวรกันมาไม่ ง, งั้นเขาจะไปพาผู้หญิงมาเยยได้ยังไงมันจองเวรกันมาก็เรื่องมีอยู่ว่าแฟนแม่คนนั้นก็เคยเป็นภรรยาเก่าตอนแม่เป็นผู้ชายในชาตินั้นแม่ไปมีเมียน้อยแล้วก็นำเข้ามาในบ้าน ทำให้เขาอับอายและเกิดความแค้นแล้วก็ฆ่าตายเลยเขาฆ่าแม่ซึ่งเป็นผู้ชายในชาตินั้นตายก่อนก็เล่นไปพาเขาไปในบ้านนี่เลยจองเวรกันมาเหตุการณ์ก็คล้ายๆกัน้าสลับตัวกันหญิงมาเป็นชายชายมาเป็นหญิงอะไ ร, รที่แม่คิดฆ่าตัวตาย แต่มีคนมาช่วยทันนะเพราะกรรมในปัจจุบันและอดีตที่ผูกเวรมากับแฟนเก่าและบุญที่เคยให้กำลังใจ ญ, ญาติที่เดือดร้อนและบำรุงบิดามดาจ้ะกรรมปัจจุบันที่ฆ่าตัวตายฆ่าอาฆาแฟนตายมันก็ฝังใจก็บรรดาจะให้ไปฆ่าตัวตายมึง แต่มีคนมาช่วยท่านเพราะว่าได้บำรุงบิดามัรญาและก็สงเคราะห์ญาติให้แนะนำท่านให้ลืมอดีที่ผิดพลาดซให้หมดแล้วก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญอุทิศไปให้กับคู่เวรบ่อยๆจ้ะรวมทั้งแนะนำให้ท่านทำสมาธิก็จะช่วยให้ท่านดีขึ้นจ้ะ บุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยเฉพาะสัตว์ที่มีท้องเช่นปลาที่มีไข่ที่จะถูกฆ่าเป็นต้นทำให้ลูกไม่รู้สึกแพ้ท้องและคลอดลูกง่ายจ้ะเห็นไหมยาดูเมนบุญว่าเพียงเล็กน้อยช่วยปลามีไข่ไอ้มีชีวิตรอดจากที่คุ้มขังและที่จะถูกฆ่า ยังมีอณิสงขนาดนี้ขนาดหมอยังไม่รู้เลยทําไมไม่เจ็บท้องพยาบาลก็ไม่รู้กันต้องเจ็บสิไม่เจ็บไม่ได้ไม่เจ็บกระข้อไม่ได้ก็มันไม่เจ็บนะก็จะยยกเยียดให้เจ็บไปได้จนกระทั่งหมอบอกไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรงั้นคลอดเลยเอออมิตาภะไม่เหมือนกันนะนี่เมื่อเช้าครูไม่ใหญ่ก็ปล่อยปลาช่อนมีไข่ ลอยไปห้าสิบตัวโอ้โหให้ได้บุญเงินเยอะๆกันทุกๆคนเลยแล้วก็ไม่ให้เจ็บอย่างนี้สำหรับคนที่ <c oughs> อลูกและบุตรทั้งสองก็เคยสร้างบารมีมากับหมูขนะ่ขณะจึงทำให้ชาตินี้มีศรัทธา มาสร้างต่อจ้ะนี่ก็เป็นเรื่องราวคดีย่อๆสันส้นๆสำหรับคืนนี้นะจ๊ะเห็นเป็นคำถามแต่ละคำถามนี่มันตีนไม่ใช่ง่ายเนี่ยมันต้องฝันเป็นตุเป็นตะนั่นแหละค่อยๆคลี่คลายกันไปทีละข้อ เรามาดูภาพกันเลยจ้ะพื้นหญ้านั่งฟุบหลับตายละโลกแล้วก็ไปเป็นอากาศสเทวาในอดีตชาติยญ้าเคยเกิดเป็นหมอพื้นบ้านมีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนบางครั้งรักษาคนโดยไม่คิดเงินบางครั้งก็ช่วยเหลือหมู่ญาต ในเรื่องปัจจัยต่างๆได้เหตุนี้เนะี่ยจึงทำให้ท่านอายุยืนแล้วก็สุขภาพดีปัจจุบันนี้ก็มีคุณหมอหลายๆท่านที่มีจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาอย่างนี้นะอีกนอยจะได้อายุยืนยืนแต่ย่าตาบอดพระกรรมเคยปรุงยาพิษรักษาตาให้คนไข้จนตาบอด ไม่น่าเลยนะเนี่ยพอมันได้ช่องกั บ, บมันเป็นอย่างเงน้ยที่ท่านเป็นโรคไตเพราะกรรมในอดีตชาติเคยเป็นพ่อค้าปล่อยเงินกู้คิดดอกเบีย้ยแพงๆแล้วก็ตามทวงหนี้จนลูกหนี้กินไม่ได้นอนไม่หลั บ, บต้องมากุงขมับอย่างนี้แหละ ตัวลูกเองน่ะเป็นญาติกับย่ามาหลายชาติแล้วแต่ไม่ใช่ลูกคนสุดท้องของย่าที่ตายไปแล้วก็กลับชาติมาเกิดใหม่อานะ่ะตายแล้วไปเป็นภู ม, มิเทวาสายวิทยาธรซึง่งคุณอาเป็นลูกศิษย์เล่าเรียนวิชานี้ในสายนี้ข้ามชาติไปแล้วอาจารย์เก่าก็ตามมาเจอเรา ก็ตามมาสอนต่อง้ที่เป็นโรคเรื้อรังพิการพระแนดีดเคยเป็นนายอำเภอเคยสั่งตัดมือตัดเท้ารถนั้นเคยสั่งท ร, รมานนักโทษไปจำคุกขี้หมูขี้ไก่จนนักโทษท ร, รมานมีร่างกายเปื่อยเนา่าตัดมือนี่ดินี้เห็นยังมีอยู่นะปัจจุบันเนี่ยที่ลงโทษอย่างเนี้ย บอกว่ามันเป็นความผิดของมือที่ไปหยิบของเขาเออพอตัดเสร็จก็อัญเชิญมือไปประกอบพิธีแล้วก็ไปเทเอาไปทิ้ง เ, ออเพื่อทำให้คนกลัวออแต่จะมีภาษาหลู่ยๆที่ฟังแล้วสบายใจบอกไม่ได้รังเกียจเธอแต่รังเกียจมือของเธอที่ไปขมโมยเขาถ้าเธอไม่มีมือเธอก็จะไม่ขมโมยเขาถ้าเธอระงับ ตัวระงับใจไม่ได้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องเอามืองเธอออกไปก่อนแล้วเท้าของเธอเนี่ยพาตัวเธอไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องถัดเท้าไปด้วยออจะได้ไปต้องพาเธอไปที่ลูกฝันว่าอามหาตอนช้ามืดวันหนึ่งก็เป็นเรื่องจริงเราอาจจะต้องไปเข้าเวรรับใช้อาจารย์สายวิทยาธร ก็คือไปอุปถากรเลยและเรียนเวทมนต์ต่างๆก็จะมาดูแลวิชาของอาจารย์สาวิทยาธรให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยวิชานั้นๆมันแปลกเนอะผูกพันกับวิชากับประโยชนนี้แต่ผูกพันกับวิชาธรรมกายเนี่ยจะไปอยู่วิชาธรรมกายแต่เป็นสายที่สูงขึ้นไปเป็นวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพองลูกตายแล้ว ไปเป็นภูมิมเทวาที่พ่อหลงหลงลืม ล, มลืมและเพอ้อละกามสุราส่วนที่เป็นตอมลูกหมากโตเพราะเศษกรรมกามีที่เป็นเนื้อ ง, งอกที่หลังเพราะเป็นกรรมปานาธิบาทและก็เคี่ยนตีสัตว์ตีหลังมันเน่ยมันเจ็บมันน่พ่อได้รับบุญที่ลูกสร้างองค์พระ แล้วก็อุทิดบุญไปให้เป็นปานั้นไปตีสัตว์เนี่ยอย่าไป น, นึกว่าสัตว์เกิดมาเนี่เพื่อให้มนุษย์ใช้แรงงาน<ส>เพื่อเล่นเพื่อทรมานหรือเพื่อเป็นอาหารนั่นเงต่างไอ้นั้นเราคิดเอาเองอะเข้าข้างตัวที่แม่ต้องฆ่าคนตายเพราะเป็นคู่เวรกันมาก่อนชาติก่อนน้าแม่เกิดเป็นผู้ชายเคยทิ้งภรรยา และก็เอาผู้หญิงเข้ามาในบ้านปริยาจึงเกิดความอาฆาตแค้นก็าตามไปฆ่าพอมาชาตินี้เขาจึงมาทิ้งคนแม่ไปแล้วคนแม่ก็ตามไปฆ่าเขาเช่นกันสลับกันโอ้สังสารวัตรนี่เอ็มแม่เนี่ยมันตกอยู่ภายใต้กดแห่งกรรมสิ่งที่กระทาด้วยกายวาจาใจล้วนมีผลในตรงนี้แต่แม่มีบุญที่สงเคราะห์ญาติ และดูแลบิดามารดาจึงมีคนมาคอยดูแลห้ามไม่ให้แม่ข่าตัวตายเนี่บยบุญส่วนบุญเนี่ยไหมบาปส่วนบาป บ, บุญก็มาอุ้มชูไว้ประคับประคองไว้ที่ลูกคลอดลูกทั้งสองคนได้ไม่เจ็บท้องและไม่เคยมีอาการแพ้ท้องเลยเพราะบุญในอดีตเคยปล่อยสัตว์ปล่อยปลาที่กำลังตั้งไข่ลูกแล้วบทั้งสองเคยสร้างบารมีมากระมูคณะ ให้ต่างใจสร้างบารมีให้เต็มที่จะได้ไปอยู่ดุสิตบรุรีวงบุญพิเศษด้วยกันจานี่ก็เป็นเคสตดี้สั้นๆ ส, นสนาหรับคืนนี้